วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนแปดเข้าพรรษามานี้เป็นวันแปดวันแรมค่ำหนึ่งแรมค่ำหนึ่งวันเข้าพรรษาแต่วันนี้ก็เป็นวันแรมแปดค่ำเป็นวันพระรู้สึกญาติโยม ทางอุบาสกอุบาสิ ก, การู้สึกว่าอุ่นนะ้าฟ้าข้างขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจให้ตลอดพรรษาการที่จะถึงนะ่ะให้ตลอดลอดฟังถ้าไม่จำเป็นจริงๆ จําจเป็นจริงๆค่อย่างที่พูดเมื่อเช้านะี่นแะแต่อย่าไปหาทางออกให้กิเลสแต่จําจเป็นจริงๆมันมันหาทางออกได้ออมันแน่นหนามันคงจริงๆเอาชนะกิเลสให้ได้อันนี้พวกเราทุกท่านควรจะเอาชนะกิเลสได้ความเด็ดเดี่ยวอาถานพ์ทำไมถึงขนาดนั้นเราก็ควรจะเอามา สักกระบี่หนึ่งไม่ไม่ถึงครึ่งหรืไว้งั้นเถอะเอามาสักอย่างความมั่นคงความอดทนเอามาใช้กับตัวของเราบ้างอย่างน้อยก็นั่งให้ได้สักสองสามชั่วโมงได้ไหมไม่ถึงกับทั้งคืนหรอกเราพยายามนั่งแต่พวกเราถึงจะไม่เอาขนาดนั้นก็ได้สักสองสามชั่วโมงเนี่กว่า จะไม่ดีเหลือทดสอบรูทองเลยทีเราอดกั้นอย่างอื่นเราขันตีกับอย่างอื่นเราก็เคยขันตีความอดทนมาพอสมควรแล้วแต่เรามาอดทนกับสติปัญญากับความภาคความเพียรของเราเนี่ยเราจะภาคภูมิใจเป็นนานเท่านานทีเดียวการทำความภาคเพียรเพราะฉะนั้นพวกเราให้สู้ทดลองในที่สู้เพราะงั้นถ้าคขวามาสู้ถึงขนาดนั้น ท่านทำความพาก ค, ความเพียรความพยายามครูบาอาจารย์ที่ท่านภาคเพียนปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ถึงขนาดนั้นหละไม่ใช่ว่าจะนอนกอนละนินกินละนอนฝนตกกลิ้งดินพรมๆทั้งที่จะลุกนั่งภาวานานานๆยิ่งเรียนโตขอมนอนสบายมันเย็นดมีมันตรงกันข้ามกับพวกเรา ครูบาอาจารย์เวลาฝนตกลินพรำๆเนี่ยท่านนั่งภาวนาสู้บำเพ็ญจิตตภาวนาเอาอย่างสุดๆแต่พวกเราพาวนาวันไหนฝนตกลินพรำๆเรานอนเหยียดสู้อย่างสุดๆเนยเอาผ้าขลมอย่างนั้นแตแน่มันตรงกันข้ามอย่างนั้นนะ่ะกิเลสกับธรรมขอให้พวกเราทุกๆท่านเลยนะที่พูดทางนี้ทางนั้นก็เป็นการกล่าวตักเตือนซึ่งกันละกัน ขอให้พวกเราทุกท่านนะ่ะนำไปคิดนำไปพิจารณาให้มีกําลังใจในการภาคเพียนบาเพ็ญจิตตภาวนาให้มีความกล้าแข็งมั่นคงถ้าเอาชนะตัวเองได้สักตั้งหนึ่งนะต่อไปที่จนะิตใจของเราตั้งขึ้นมาได้แล้วท่นี้เอาเถอะท่านเอคือเอาให้อยู่คิดคือคิดอยู่ในกรอบพิจารณาเสร็จแล้วก็ให้เข้าสมาธิ ฝึกให้พักผ่อนทางสมาธิเอาให้อยู่เมื่อออกจากสมาธิมาพิจารณาออกพิจารณาให้ได้บังคับให้ออกพิจารณาอย่างนั้นมืนคือแนวภาคปฏิบัติอันนี้มันก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยการได้ยินได้ฟังนะบางคนก็นั่งภาวนาจิตสงบก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละคิดว่าเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเกิดปัญญาเองจะเกิดปัญญาเอง จะนั่งพอจิตสงบแล้วจิตมันจะเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาเองผู้คิดอย่างนั้นผู้เป็นอย่างนั้นมีมากนะในภาคปฏิบัติของเราบางคนก่อนเกิดปัญญาได้นะไม่ใช่ว่าไม่เกิดเกิดได้แต่พวกนั้นต้องเป็นพวกพิเศษสักหน่อยก็ว่กพวกคิด ป, ปะิญญาพวกรู้ได้เร็วพวกนั้น พอนั่งภาวนาจิตสงบปุ๊บลงไปมันจะกระโดดปุ๊บไปเห็นอสุภะปฏิกูลอะไรขึ้นมาอย่างนั้นเห็นร่างกายของตัวเองเห็นร่างกายของคนอื่นเห็น ร, ร่างกายตัวเองนอนลงไปท่านกดกาหนดจับขึ้นมาพิจารณาเลยเีพิจารณาร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมมันเน่ามันเปื่อยให้เห็นต่อหน้าอยู่แล้วมันจะเป็นตัวเราได้ยังไงเราจะไปยึดไปถือได้อย่างไร มันเกิดปัญญาขึ้นมาจากนั้นท่านก็ปล่อยวางอันนี้คือว่าพวกนี้มีอยู่พวกนี้พวกคิปปิญญาพวกรู้ได้เร็วแต่พวกทันธาปิญญาเนี่ยเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันจะสงบนิ่งสบายมีความสุขเหมือนกับเรากินอิม่มแล้วก็เข้าไปนอนในห้องแอร์อย่างนั้นแนะ่ะเย็นสบายเมื่อเราเข้าไปนั่งในสมาธิเมื่อเข้าจิตใจของเราเข้าสมาธิมันเป็นอย่างนั้นแนะ แต่มันไม่พิดักกังวลกับอะไรทั้งหมดกําหนดจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วก็สบายพักอยู่นั่นน่ะไอ้นี่จิตเป็นสมาธิมันไม่เกิดปัญญาทีนี้เราจะทํายังไงเมื่อจิตเป็นเป็นสมาธิอย่างนั้นก็บังคับให้ออกนะบางคนนะเออทําไมบังคับมันไม่ออกด้มันเข้าไปอยู่ในห้องแอร์แล้วมันไปนอนอยู่นั่นละเออมันไม่ออก ทำการทำงานมันไม่เกิดประโยชน์ไงต้องบังคับให้มันออกอันนี้ว่าจิตเป็นสมาธิหลงในสมาธิติดในสมาธิบางคนพอภาวนาเข้าไปเนี่ยกลัวสมาธิอะไรอ่างนั้นเถอะกลัวมันจะติดสมาธิพอได้ยินท่านว่าติดสมาธิก็เลยกลัวก็เลยไม่เป็นสมาธิเป็นแต่สัญญากระสังขารอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่รู้ลดอย่างนั้นเถอะใช้ไม่ได้อีกอย่างนั้น แต่ตามมันจริงให้มันติดดูให้มันเข้าดูสมาธิเป็นยังไงเมื่อเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเรามีช่องมีทางที่จะบังคับมันออกเออจิตเรานี่เข้ามาถึงระดับนี้ติดสมาธิจริงๆเ อ, อเราก็ควรจะ อ, ออกเราควรจะใช้ยังไงเนี่ยมันก็เกิดปัญญาได้เมื่อเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วไม่ใช่ว่า อ, อพอจะนั่งสมาธิกลัวติดสมาธิเหมือนกับขี้ทุกนันนะเ อ, อขี้ทุกไม่อยากรวยว่างั้นแต่ อไม่อยากมีเงินกลัวจะติดเงินกลัวจะติดสมบัติอพอได้เงินมาจริงๆติดจริงจริงเหมือนกนเถอะไปว่ามันโง่มันก็นติดเลสิถ้าไม่โง่จะไปติดทําไม เ, าเงินได้มาก็เป็นของใช้จําเป็นต้องใช้มันอจะไปติดมันทําไมอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละถ้าโง่ก็ติดสมัยสมาธิก็ติดสมาธินั่นแะลนะถ้ามีปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจาร จากเทปจากหนังสือของท่านแล้วนั่งสมาธิจิตเวลาพักกับพักทำมันจิตก็สู่ความสงบเมื่อถอนจากความสงบก่อนํามาพิจารณาวิธีการปฏิบัติต้องลักษณะอย่างนี้เข้าสมาธิก็เข้าให้ได้นามาพิจารณาก่อนนามาพิจารณาให้ได้แต่บางคนก็ไม่สมาธิไม่จำเป็นอันนั้นเกินไป เกินกว่าพระพุทธเจ้าเกินกว่าพระแม่ครูบาอาจารย์เกินกว่าตำหลับตําลาบัด ป, ประมาทสมาธิ <ajud> แต่บางคนก็อาจจะใช่เมื่อฟังเทศแล้วก็กำหนดตามที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านพาปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นวิธีปฏิบตัติต้องเดินอย่างนั้นต้องเดินมักอย่างนี้อย่างนี้ต้องเดินวิปัสสนายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ก็พยายามเดินตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนเดินย่องตามหลังท่านเหมือนกันนะย่องตามคําพูดของท่านเหมือนกัน เ, เดินไปกําหนดกิจตามตามไปที่เราได้ยินได้ฟังเข้าพอเข้าใจแล้วก็วางเพร้อต้องเป็นอย่างนี้ท่านผู้บอกผู้ที่ย่องตามเลยก็เท่มเพ้อเหมือนกันอย่างที่ท่านพูดผลที่สุดท่านก็ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลมีมากในครั้งพระพุทธเจ้ า, จาของเรา อันนี้แปลว่าฟังเทศจากพระพุทธเจ้าฟังเทศกับพระอรหันต์ท่านผู้รู้แสดงให้ฟังเราก็พยายามตามที่ท่านอธิบายให้ฟังท่านพูดเรื่องศรรีล เ, เราก็กําหนดศีลของเราข้อไหนขาดตกบกพร่องบ้างจากนั้นท่านก็พูดเรื่องสมาธิวิธีทําสมาธิจําไงเราก็กําหนดตามที่ท่านากําหนดตามที่ท่านบอกจากนั้นเราก็ ท่านให้พิรณาทางด้านปัญญาวิปัสนาวิปัสนานี่กว้างขวางบางทีท่านจะออกเหลี่ยมไหนท่านจะออกแง่มุมไหนถ้าพระพุทธเจ้าทันเทศท่านจะมองเวลาท่านจะแสดงธรรมนี่ท่านจะมองดูหัวใจพุทธบริษัทที่มานั่งฟังวันนี้เราจะแสดงธรรมเรื่องอะไรจึงจะเป็นที่สบายสําหรับพุทธบริษัทเนี่ยอนั้นพระพุทธองค์ท่านรู้สก่อนท่านจึงแสดงธรรมพอฉันแสดงปุ๊บ อืคนไหนที่จะได้มักได้ผล้ว ก, ก็ชี้นําอะไรก็แค่ว่าดิ่งสิจุดนั้นเลยว่างั้นแตะคนคนนั้นเลยเ อ, อท่านรู้แล้วว่าใจคนนั้นเป็นยังไงท่ากับแนะนําบอกบอกบอกไปคนนั้นก็ตามตามตามหลังพอจากนั้น อ, อืได้สําเร็จมักสําเร็จผลปดนท่านก็เออนี่เทศครั้งนี้ไม่เปล่าประโยชน์เอคนนั้นเขาหลุดพ้นจากกิเลสได้แล้ว อ, อืเกิดประโยชน์ถึงจะใครจะเป็นยังไงคนอื่นก็ว่ากันไปอีกทีหลัง แต่คนนั้นผ่านพ้นไปแล้วอยกข้ามฝั่งไปแล้วถึงฝั่งแล้วแห่งแดนเกษมแล้วอันนี้คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าของพวกเราอแต่มาถึงยุคของพวกเราเนี่ยเอา้าแนะนําสั่งสอนกันหลายแง่หลายกระทองหลายรี่หลายเลหลี่ยมแล้วแต่พวกเราจะนําไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยใครจะจับเอาตรงไหนได้อย่างไรมากน้อยแค่ไหน อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศในเทปในหนังสือนั่นแหะจากนั้นเราก็นำเอามาปรับปรุงแก้ไขการกระทําของเราทางกายทางวาจาทางใจนั่นแหละให้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะสับบ้าฟังฟังแล้วก็ทิ้งไปเหมือนกับสาดน้ำใส่หลังไม้พอฟังแล้วก็เอาสะบัดทิ้งซะพรวดจะกระจบบางคนมากกว่านั้น เวลาฟังเทศสรรพงกงกันไม่รู้ท่านพูดอะไรก็ไม่รู้ เ, เหมือนกับเอากระป๋องน้ําหรือขันน้ําเอาไปคว่ำแล้วฝนตกใส่เท่าไหร่มันก็ไม่เข้าปากของมันมันไม่ขังเพราะเหตุไรเพราะมันคว่ำปากลงดินแล้วเอาน้ําลดเท่าไหร่มันก็ไม่เข่าเพราะเหตุไรเพราะมันไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ได้สนใจฟังไม่ได้ตั้งสติให้ดีฟัง มันก็ไม่เข้าใจฝนตกในจั ก, กรวาลร100อปีพันปีก็ไม่เข้าปากมันได้เพราะเหตุไรเพราะมันไม่ได้ตั้งใจฟังเพราะนั้นพวกเราต้องสุ ส, สังลัสะเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาเพราะนั้นการฟังให้ตั้งอกตั้งใจฟังต้งองตั้งใจสังเกตที่ท่านพูดเรื่องอะไรจากนั้นก็นํามาปรับปรุงแก้ไข การกระทําของเรานั่นแหะการฟังเทศเกิดประโยชนนะ์ถ้าเราไม่ได้ทําอย่างนั้นไปว่าเปล่าประโยชน์นะแต่ก็ได้บุญอยู่ได้บุญระดับนึงนะเพราะเกิดศรัทธานะก็ได้บุญอยู่แต่ไม่เกิดปัญญานะทางว่าฟังได้บุญด้วยทั้งเกิดสติปัญญาด้วยอันนั้นแหะเลิ่ประเสริฐนั้นการฟังธรรมเทศนาฟังแนวความคิดของครูบาอาจารย์ทีท่าน แนะนำสั่งสอนก็นำไปประพฤติปฏิบัติด้นนะ่ะสำหรับพวกเราเบื้องต้นก็เลยพูดหลายครั้งต่อหลายหนสำหรับนักปฏิบัติเบื้องต้นเราควรจะกำหนดลมหายใจเข้าออกนั่นแะเป็นหลักพร้อมกับบริกรรมพุทโธให้พุทโธอยู่ในใจของเราให้มันถียิบเลยอย่าให้มันจิตใจ ปุ่ฟุ้งออกไปข้างนอกเวลานั่งสมาธิกับ น, นั่งอย่างที่พระประธานที่อยู่ตรงตรงหน้าของพวกเรานี่แหละท่านนั่งอย่างไรก่าเราปวนั่งอย่างนั้นแหละถ้าหากว่าเรานั่งไม่ได้อย่างนี้เราจะนั่งพับเพียบก็ได้เออหรือเราจะนั่งเหยียดขาก็ได้เอาหลังพิงฝาก็ได้ถ้ามีความจำเป็นจริงถ้ามันปวดแข้งปวดขาจริงๆเราก็นั่งเก้าอี้ก็ได้ แต่ถ้าไม่จําเป็นจริงอย่าไปหัดอย่าลินั่งอย่างนั้นนั่งอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนั่งนั่งคัดสมาธิเร่งพรบเพียบเนี่ยถ้านั่งขัดสมาธิท่านว่าทํากายให้ตรงไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่เอียงหน้าเอียงหลัง น, นี่คือการนั่งสมาธิอย่าไปพิงถ้าพิงมันหลับทั้งวันนะมันหลับอันนี้ก็คือวิธีในการนั่งสมาธิก่อนที่จะนั่งกับพนมมือขึ้นระหว่างอก ไหว้ครูซะก่อนพุทธโธธัมโมสังโฆรละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รละลึกถึงพ่อแม่กูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมแนะนำสั่งสอนให้พวกเรารู้จักการปฏิบัติต่อศีลธรรมต่อสมาธิธรรมกาบ ร, ร, ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่กูบาอาจารย์จบแล้วละก่อนเอามือลงนะ จากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทไปจ้องส่งจิตไปที่อื่นอันนี้คือวิธีปฏิบัติสําหรับผู้เริ่มเบื้องตน้นท่นี้ผู้ปฏิบัติ อ, อันดับต่อไปบางครั้งเราก็ทําจิตให้สงบได้พอนั่งเข้าไปจิตใจสงบเย็นสบายมีความสุข แต่บางคนพอนานๆไปรู้สึกว่าจิตมันคึกมันขนองขึ้นมาได้บ้างเนี่อย่างเมื่อไม่นานมาเนี่ยมีโยมมาถามหลวงพอ่อดิฉันนั่งภาวนาไปแล้วแต่ก่อนจิตใจเย็นสบายมีความสุขกำหนดลมหายใจเข้าออกออ ก, ก็รู้สึกว่าอยู่กับลมเข้าออกไม่ได้มีวิตกไม่มีวิจาระมีไม่มีอะไรให้สงบก็สงบบางทีก็ คิดเรื่องอะไรก่อนรู้สึกว่าปลอดโปร่งดีมากแต่พอมาช่วงลังหลังมีธุระการงานเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีปัญหาเกี่ยวกับคู่คนบางเลยทำให้จิตใจปั่นปวนลวนเลภาวนาก็รู้สึกว่ามันเข้าไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วเราจะทำยังไงแต่ใจนี่ทุกข์เหลือเกินเพราะเราเคยจิตใจสงบ ทำไมเราจึงถอยหลังเข้าคลองขนาดนี้เขามาถามนะทําไมใจจึงถอยหลังเข้าคลองขนาดนี้ทั้งที่มันจะก้าวหน้าไปมากกว่านี้ทําไมมาเจออย่างนี้แล้วทําไมมันไม่ได้เรื่องเลยมันทุกข์จริงๆใจร้อนจริงๆเอผลที่สุดมันห่อเหี่ยวจริงๆ จ, จิตใจหาความสงบสุขไม่ได้เผลอๆยังอารวาสผู้อยู่ใกล้กใช่อีก ในทั้งที่ตะกอนมันก็ไม่เคยเป็นว่างั้นเนี่ยอันนี้ก็คือใจของเราเนี่ยมันส่งนอกและจะทํำยังไงพอกําหนดพุดโท ม, มันก็ไม่อยู่กําหนดลมมันก็จับไม่อยู่มันวิ่งปุ๊บออกไปปุ๊บออกไปหลวงพ่อก็อไม่รู้จะแนะนํำยังไงก็บอกเอาอย่างนี้ดีไหมคือมันเอากับสมาธิมันไม่อยู่แล้วเป็นอย่างนั้น่ะ เ, เพราะว่ามันมันกำหนดกับฐานเดียวมันไม่อยู่มันต้องให้ขยับการขยับนั้นให้เราไปเอาภาพโครงกระดูกที่ไหนก็ได้หรือไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้หรือเราเห็นภาพที่ไหนก็ได้หรือเราไปเห็นโครงกระดูกอยู่วัดไหนเราเคยกําหนดดูไหมเราเคยเห็นไหมโครงกระดูกเป็นยังไงทีนี้เราเอาภาพโครงกระดูกที่ เขาพิมพ์ปกการแพทย์เขาพิมพ์มาแล้วก็มาดูโครงกระดูกคนน่ะเป็นยังไงแต่เราดูให้สังเกตนั่งดูให้สังเกตให้รูปนะั่นดูตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงขาถึงแขนถึงทุกส่วนของร่างกายจากนั้นก็นดูจากนิ้วเท้าขึ้นมาแต่จะไปดูที่นิ้วเท้าที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังน่ะวะให้ดูกระดูกอย่างเดียว ให้กำหนดดูกระดูกอย่างเดียวไม่ต้องดูอย่างอื่นให้ดูกระดูกให้เห็นแต่กระดูกร่างกายของเรานี่มีโครงกระดูกเป็นแกนกลางถ้าไม่มีกระดูกน่ะถึงจะมีหนังหุ้มอยู่มันก็เหมือนกับกองอะไรเหมือนกับถุงย่ามหรือถุงอะไรใส่ของแล้วก็ทิ่งไว้น่ะกองกับดินอย่างนั้นแหละเพราะไม่มีกระดูกถ้ามีกระดูกเนี่ย มันก็เป็นโครงยืนได้นั่งได้นอนได้นทีนี้เราให้มันเป็นโครงกระดูกเราดูให้ดีจากนั้นเราก็มานั่งพอนั่งภาวนาขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยกับปนมืออย่างที่ว่านั่นและ้วลึกไหว้ครูไหว้พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์นึกพุทธโธธรรมสังโฆเสร็จแล้วจากนี้ไปข้าพาเจ้าจะนั่งสมาธิ กำหนดร่างกายทั้งหมดให้เป็นกระโดกเราวา่าอย่างนั้นท่นี้จากนั้นเราก็กําหนดดูกระโหลกศีรษะก่อนอกระโหลกศีรษะของเราเนี่ยมันเป็นฟันจยักหักหักหักหักมันพากระโหลกไปหาถึงท้ายทอยแล้วกักะโหลกฟันหยักหักหยั ก, ยกจากหูข้างหนึ่งไปหูข้างหนึ่งสรุปแล้วก็คือที่เห็นเห็นมันเป็นสี่เหี่ยงอย่างั้นเถอะ เออเหมือนเขาเขาเรียกว่าเข้าฟันหมาตายนั่นแหละอ่มันเหมือนกับเข้าเข้าฟันกันเข้าล็อกกันอ่ะอ่เป็นกระโหลกคนจากนั้นกระโบกตามันเป็นยังไงหน้าผากมันเป็นยังไงทีนี้อ่มันตามันกระโบเข้ามากระหม่อมันเป็นยังไงและก็มีช่องหูหูมันไม่มีเลยได้ป่าวนี่ยมันมีรูหูมันเป็นกระดูกใช่ไหมอ่จากนั้นก็ลงมาหาคอ แล้วจมูกมันเป็นยังไงแล้วปากเป็นยังไงปากที่ไม่มีหนังมันเป็นยังไงแล้วก็มีขากรรไกรมันมีฟันมันเป็นยังไงไม่มีลิ้นน่ะมีแต่ฟันน่ะมันเป็นยังไงขากรรไกรที่มันติดกับตรงไหนจากนั้นก็มาถึงคอกําหนดถึงคอคอเป็นคอคอคอคอลงมาถึงมาถึงบ่าไหลมาถึงหปาระ กระดูกหาปาลามันเป็นยังไงมันจดเข้ามายังไงจากนั้นก็มาถึงไหลมาถึงแขนไล่ลงไปแขนขวาสก่อนข้อบน ม, นมันมีกระดูกอันเดียวอันต่อมา ก, ก็เป็นกระดูกเป็นข้ อ, อข้อพับได้จากนั้นก็เป็นกระดูกท่อนที่สองแขนที่สองลงไปเนี่ยกเป็นกระดูกสองซี่จากนั้นก็ดูฝ่ามื อ, อลงไปฝ่ามือ พอถึงฝ่ามือก็มีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอเราก็ดูนิ้วโป้งมันมีกี่ข้ออกําหนดดูนิ้วชี้มันมีกี่ข้อนิ้วกลางมันมีกี่ข้อปลายพวกมันมันเป็นสันฐานยังไงเป็นรูปยังไงรูปร่างยังไงนิ้วมือที่มีมีเนื้อมีหนังนั่นอ่ะมันมีแต่กระดูกน่ะจนถึงนิ้วก้อยสันฐานมันเป็นยังไงจากนั้นเรากําหนดต่อมา หาข้อมันมันมีข้ออยู่มันมีหนังยึดไว้เอ็นยึดไว้ถ้าไม่มีเอ็นยึดไว้มันกรหลุดออกไปอันนี้มีหนังมีเอ็นยึดไว้ให้มันขยับไปขยับมาได้จากนั้นมาก็ขึ้นมาถึงแขนกำหนดขึ้นมาอีกมาถึงข้อศอกมาถึงต้นแขนจากนั้นก็มาถึงหลังห่ะขยับมาดูทางด้านซ้ายอีกกำหนดดูทางซ้ายอีกเราไม่ต้องรีบต้องเร่งไม่ต้องรีบต้องด่วน การนั่งภาวนากำหนดให้ชัดเจนให้มองให้ชัดเดินไปช้าๆกำหนดไปช้าๆดูไปช้าๆกาหนดให้ชัดเจนสันฐานของมันเป็นไงกระดูกมันสีขาวขาวๆเหลืองๆจากนั้นมันก็ลงไปถึงแขนอีกแขนมีข้อเดียวมีข้อศอกแขนข้างล่างมีอยู่สองซี่ใหญ่กับ4ี่เล็กมันอยู่ด้วยกันเลจากนั้นก็มีข้อมือ จากนั้นก็มีหัวแม่โปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยกําหนดดูให้ดีจากนั้นก็ดูเป็นข้อๆจากนั้นก็ขึ้นมาแขนไล่ลงไปล่ะบาทไล่ลงไปกระดูกสันหลังเป็นข้อค อ, อลงไปจากนั้นก็มีกระดูกชี้โคง้งออกมาออกจากกระดูกสันหลังมีกระดูกชี้โค้งในบาทกระดูกชี้โค้งซ้ายขวามันมาจดกันที่หน้าอกไล่ลงไปเรื่อยๆจนกระดูก สั้นๆลงไปแถวเอวมันกระดูกสั้นเด้เอาจากนั้นก็มีข้อลงไปไ ป, ไปถึงเชิงการาถึงกระดูกสะโพกมันก็เหมือนกับลูกหมากรถอย่างนั้นอ่ะอมันหมุนๆเป็นกลมๆอยู่ที่กระโปกสองข้างามันตะปุ่มอยู่งนั้นอ่ะมันยึดกันอยู่เอ็นมันยึดเอาไว้จากนั้นก็มาถึงกระดูกขาขวาเป็นยังไงกระดูกเตี้ยวกระดูกหัวเข่ามีสะบ้า มันปูดปูดกลมๆจากนั้นก็ลงไปกระดูกแข้งกระดูกแข้งมีสองไปกระดูกไปลงไปข้อเท้าออกจากข้อเท้าก็ไปถูฝ้าตีนฝ้าตีนกับมีซี่ซี่ไปนิ้วโป่งนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยมันจะไม่ยาวเหมือนนิ้วมือได้บ้างดูให้ดีปลายมันแหลมแลมหนังกระดูกจากนั้นก็ดูขวาขาขวาเสร็จแล้วกลับ ย้อนขึ้นมาดูถึงกระพกย้อนลงไปดูขาซ้ายอกีกไล่ลงไปอกีกจากนั้นกับย้อนกลับขึ้นมาอกีกไม่ให้ส่งจิตไปข้างนอกให้มันเห็นอยู่ตลอดในการพิจนารณากาหนดดูกระดูกเสร็จแล้วเอาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมากลับมาถึงเอวจากนั้นก็ไล่ขึ้นมาถึงขี้โครงดูไล่ขึ้นมาเรื่อยกระดูกสันหลังเป็นข้อขอ ข, อ ข, อ ข, อ ข, อขึ้นมาจนถึงกระดูกแขนกระดูก ไล่ขึ้นมากระโหลกศีรษะพอเห็นกระโหลกศกีรษไล่ลงไปอีกกำหนดดูสิสติของเราอยู่ได้ไหมเห็นได้ไหมถ้าตรงไหนที่มันเบอร์เบอร์ที่มันออกพบไปแสดงว่าสติเราขาดแล้วจุดนั้นกลับมัอีกมางมาดูอีกให้มันดูจุดเก่านั่นแหละจากนั้นเราดูหลายๆครั้งหลายๆรอบนะเราเห็นจุดไหนที่มันชัดเจนในความรู้สึกของเราเราเห็นกระโหลกศีรษะใช่ไหม หรือเห็นกระดูกที่โค้งใช่ไหมหรือเราเห็นกระดูกขาหรือกระดูกแขนแลือกระดูกนิ้วมือกระดูกไหนที่เราเห็นชัดเจนในความรู้สึกของเราเอาสติของเราจับอยู่จุดนั้นจ่ออยู่จุดนั้นเพ่งอยู่จุดนั้นไม่ให้ขยับขยื่นดูจุดนั้นอย่างเดียวออพอดูเข้าไปนี่นออพอใจมันมันมันลา้ามันเหนื่อยเลยได้บ่ะนี่ย เ, เราเพิจารณากําหนดดูมันจะ อยู่จุดเดียวเพ่งอยู่จุดเดียวอยู่จิตใจจะเข้าสู่ความสงบได้ปุ๊บทีเดียวละทีนี่แหละวิธีการนะอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิใช้ปัญญาให้ความคิดคิดไปซะก่อนปรุงไปตามร่างกายซะก่อนแต่ไม่ให้มันออกข้างนอกให้เที่ยวอยู่กายยนครเนี่ยยานครของกายนี่แหละบกปนเวียนอยู่ให้มันอยู่หมุนอยู่เนี้ย จากนั้นก็จิตก็เข้าสู่ความสงบได้อันนี้คือวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้สำหรับจิตใจของเราเคยฝึกมาแล้วเคยฝึกผ่านสมาธิมาแล้วแต่จิตใจมันเอาไม่อยู่มันยังฟงฟุ้งไม่รู้จะเอาอยัางไงให้บังคับอย่างนี้ให้มันคิดอย่างนี้อย่าให้มันออกนอกอกายของเราหรือ เราไม่ถนัดในการพิจารณากระดูกเราจะพิจารณาร่างกายของเราก็ได้สมมุติเอาเป็นโครงกระดูกทั้งล่างเนี่ยนะมันมีอะไรอย่างพวกเราสวดเมื่อกี้เนี่ยเกษาผมโลมาข น, นาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนะรูเอ็นอัติกลือกระดูกอัติก ล, กกกลกินชังเยอะในกระดูกหัวกลางม้ามตะยังหัวใจยกระนังตับอาการ32สองของร่างกายสรุปแล้วก็คือมีโครงมีหนังหุ้ม มีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกเข้าไปข้างในกันนั่นน่ะเหมือนกับเสื้อผ้านะห้อยพลุงพลังอยู่ในลำไส้นะ่ะในท้องนะ่ะเอมีตับไตไส้พุงมีดีมีอะไรห้อยอยู่นั่นนะ่ะออห้อยอยู่ในโครงกระดูกนั่นนะ่ะ เ, เหมือนกับเราเห็นเขาเราเขาำชำแระสัตวนะ์น่ะตับไตไส้พุงของ ว, วัวควายของเราก็เหมือนนั่นแหละเพราะเราก็มีธาตุสีเหมือนกับเขานะเอะเพียงแต่ว่าเรามัน ลูบลักมันต่างกันเท่านั้นเองแต่ตับไตไส้พุงมีเหมือนกันนี่แหละอันนี้เราจะพิจารณาเป็นอสุภะอย่างนั้นก็ได้อันนี้ก็คือวิธีการสําหรับผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงพูดง่ายๆมนุษย์เรามีกระดูกอย่างนั้นไหมใช่ไหมเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเรามีเนื้อมีนังอย่างนั้นใช่ไหมถ้าว่าไม่ใช่แสดงว่า กิเลสของเรานี่หนาแน่นเลอะเกินไม่ยอมรับในในสิ่งที่มันเป็นที่มันมีอย่างนั้นไม่ยอมรับมันแสดงว่าเราต้องฝึกฝนว่างั้นเถอะแสดงว่ากิเลสของเราเนี่หนาเกินไปแล้วไม่ยอมรับเหตุผลแต่หาว่าเนี่ยเราต้องยอมรับเหตุผลร่างกายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างเดินไม่ได้ใช่มันเป็นอย่างนี้จริงๆอร่างกายมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พูดอย่างที่คิดนี่แหละ เมื่อกำหนดพิจารณายอย่างนั้นใจมันยอมรับน ะ, ะเมื่อมันเห็นยอมรับแล้วใจมันจะเป็นยังไงทีนี้ความรักที่เคยรักแบบงบปักหงบปัา ม, มันก็จะถอนคืนที่จะโกรธให้แก่ใครโกรธจะไม่ลืมหูลืมตามันก็ไม่รู้จะโกรธไปทําไมโกรธให้ร่างกระดูกมันจะหลงในร่างกายตัวเองหลงในร่างของคนอื่นก็ไม่รู้จะหลงไปทําไม พรมันมีแต่กระดูกมันมีแต่เนื้อมีแต่เอ็นมีแต่กระดูกไม่รู้จะรักจะหลงไปอะไรมากมายนักหนานี่แหละมันบรรเทาเรื่องความโกรธความโลภความหลงลงได้เยอะแยะถ้าไม่หลงกายแล้วถ้าหลงกายแล้วมันหลงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณากายอย่าให้มันหลงอย่าให้มันหลงกายถ้ารู้กายเห็นกายแล้วนั่นแหละให้เห็นตามความเป็นจริงแล้ว มันจะไม่หลงเพราะนั้นพวกเร า, เ, าเมื่อได้ยินแล้วก็นำไปพิจารณาดูนะแนะนำไปปฏิบัติที่บอกที่กล่าวในคิดว่าไม่ผิดทีเดียวล่ะนี่แหละตามแถวแนวของอพระพุทธเจ้าพระธรรมระสูงพรแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างเนี้ยแต่ท่านจะสอนแยบคลายมากน้อยยังไงแค่ไหนสุดแท้แต่แต่ละองค์แต่ละท่านาที่มาชี้แจงแนะนาสั่งสอนอแตอ่อาจารย์เองเนี่ยบอกว่าเนี่ย ให้ปฏิบัติอย่างนี้แต่บางคนนะท่านก็มีคนมาถามอีกว่าเมื่อกำหนดเวลานั่งภาวนาจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งมันจะเกิดนิมิตขึ้นมาเหมือนก็เห็นร่างกายหรือมีเห็นโดยมากจะเห็นฟันตัวเองการเห็นฟันตัวเองไม่ใช่ว่าจะเห็นแบบอยู่แบบธรรมดาบางทีก็เห็นฟันสวยบางทีมันมีเงาบางทีก็มีอสุภะติดด้วย แล้วจะทํำยังไงจะให้เห็นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมพอเห็นมานานแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพอเห็นก็สักตะวันเห็นอยู่อย่างนั้นก็นั่งไปก็เห็นบางทีก็เห็นอร่างกายส่วนอื่นด้วยแล้วจะนําไปพิจารณาอย่างไรนะจึงจะเกิดปัญญาจึงจะเกิดประโยชน์ทางที่ถูกทางทางที่ถูกต้องนะอันนี้เขาก็ถามนะเรา อาจารย์เองก็ได้อธิบายให้ฟังว่าการพิจารณาการนั่งภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบเป็นนิมิตขึ้นมาอันนั้นมันดีอยู่แล้วแต่เราเอาจิตเน่ยเอาใจน่คือสังขาร น, น่ะคือสังขารคือใจคือความปรุงแต่งสังขารเราสังขารคือความคิดความปรงุงสังขารหนึ่งเป็นสมุ ท, ทยัยสังขารหนึ่งเป็นมร เน่เราจะเอาสังขารให้มันเกิดมรรคคาดว่าเราสังขารเป็นสมุทยัยเมื่อเราเห็นเขี่ยวเห็นฟันเราก็ปรุงไปในทางที่สวยงามร่างกายโอ้เช็จสวยงดงามผิวพรรณวันณนะพองใสลูกร่างกลางตัวมีแต่ความสวยงามสง่าผ่าเผยองค์อาจอก็พิจารณาไปในทางที่สมุทยัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดอันนี้ทธนว่า สังขารไปในทางสมุทยัยเกิดการมรดนหาเาะว่าตันหาวิภวะตันห า, นหาคือขึ้นมาได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าสังขารเป็นมรดเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็กําหนดดูว่าอันนี้คือร่างกายเนี่ยมันเป็นธาตุสีนะอมันธาตุดินกระดูกอคือธาตุดินถ่านน้ำถ่านลมถ่านไฟอยู่ในร่างกายของเราอันนี้เป็นของไม่เที่ยง น้อมไปในไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาน้อมไปในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ เ, เมื่อเราพาาิจารณาอย่างนั้นน้อมไปในทางอสุภะปฏิกูลเอออย่างนั้นอันนี้แหละคือมักเมื่อเห็นอย่างนั้นคือมาเราน้อมจิตไปอย่างนี้แหละกําหนดอยู่อย่างเนี้ยเห็นเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุก ข, งขงังของไม่มั่นไม่คงมันจะมั่นได้ยังไง กระดูกอยู่ในฟันของเราเดี๋ยวมันกระหลุดเดี๋ยวมันกระสกะปลกต้องได้แคะได้ล่างได้เช็ดได้ถูได้แปรงอยู่อย่างนั้นแปรงฟันอย่อยางงั้นมันจะสะอาดได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมันสกระปรกอยู่แล้วตามธรรมชาติมันจะสวยงามได้ยังไงเพราะฉะนั้นกําหนดให้เป็นไตรลักษณ์ของไม่เที่ยงอนนีจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวตนของเรา ใครว่าเป็นตัวตนของเราเวลาตายไปแล้วเห็นแต่ทิ้งอยู่ในกองไฟนะนะั่นน่ะกองฟอนนะนะั่นน่ะอกองเผาศพนะนะั่นน่ะโอ้นี่เขี้ยวนะี่ออันนี้ฟันฟันกลามฟันอะไรก็ว่ากันไปตัวเองไม่เห็นเอาไปด้วยมันจะว่าเราจะเอาไปด้วยได้ยังไงจะเป็นของมั่นคงได้ยังไงจะว่าเป็นของเราได้ยังไงเนี่ยการพิจารณาต้องพิจารณาอย่างนี้เวลาจิตสงบลงไป เว่าจิตสงบเนี่ยเมื่อจิตสงบถึงฐานอปปนาสมาธิมันจะไม่เห็นไม่จะไม่รู้อะไรมีแต่สติกับจิตเนะี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนิ่งมันเกินกว่าที่จะนำมาพิจารณาได้ <Yeah. S 1> แต่จิตถอนขึ้นมาระดับหนึ่งระดับหนึ่งให้เข้ า, าจิตไม่ปรุงไม่ฟุ้งนะจิตไม่ฟุ้งออกไปข้างนอกแต่มีสติควบคุมอยู่รู้อยู่เห็นร่างกายตัวเองอันนี้ละ่ะ จิตอย่างนี้แหละคืออุปจารสมาธิเนี่ยจิตที่มันอยู่ระดับนี้แหละนำมาพิจารณานำมาพิจารณากายของเราเนี่แหล ะ, ะให้เห็นเป็นอนิจจังให้เป็นทุกขังอนัตตาให้เห็นเป็นอสุภะให้เห็นเป็นปฏิโกณ อ, อันใดก็ได้แล้วแต่เราจะยิบยกในขึ้นในขณะนั้นเวลานั้นชั่วนั้นที่เรานั่งอยู่ได้ทั้งนั้นมา ง, งั้นเ อันนี้คือเวลาเรานั่งจิตเข้าสู่ความสงบวันนี้สําหรับผู้ปฏิบัติพอรู้แนวทางแล้วนะที่ผู้ริเริ่มเมืองต้นก็ไม่ต้องว่ากันละนะระดับหนึ่งให้กําหนดลมหายใจอย่างที่กล่าวมานั่นอ่นะอันนี้คือวิถีทางเดินสําหรับผู้ชำนิชนานาญหรือแบบผู้ที่จะเริ่มเดินทางด้านปัญญาก็ต้องพิจารณาอย่างนี้แต่ท่านก็ยังถามอีก บอกว่าเวลาทำจิตให้สงบได้แล้วน่ะถ้านำจิตสัญญาคือความจำได้หมายรู้ทั้งหลังนะ่ะพอคิดถึงสัญญาแล้วมันไม่เกิดปัญญาแล้วจะทำยังไงเราก็เอาตรงเอาปัจจุบันสิดูสังขารในปัจจุบันนําสังขาร น, นำพิจนารณาเลยจะเอาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายก็ได้พิจารณา ผมขนเรีบฟันหนังก็ได้ให้เห็นตามสภาพจากนั้นจิตใจเมื่อเห็นตามสภาพแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะร่างกายจะไปยึดมั่นได้ยังไงเพราะเป็นร่างกายธาตุสดินน้ําลมไฟเมื่อไม่ยึดมั่นแล้วมันก็ปล่อยวางคําว่าปล่อยวางคํานี้เนี่ย มันไม่ใช่ปล่อยที่อื่นเด้ไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นปล่อยวางกายมีอีกส่วนนึงปล่อยวางที่ใจด้ปล่อยความในความรู้สึกด้ถ้าว่าไม่รอบรู้จริงๆไม่ใช่มหาสติปัญญาจริงๆมันวางไม่ได้มันปล่อยไม่ได้อจุดนี้มันต้องให้รอบรู้จริงๆรอบจัดจริงๆเพี้ยนนาให้รอบครอบจริงๆเห็นจริง ๆ, ๆรู้แจง้งจริงๆอจนไม่มีความสงในจิตในใจนั่นแหะมันจึงจะปล่อยวางได้นะนี่แหละวิธีการให้พวกเรานํา ปฏิบัติดูนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอาจจะมีเป็นแง่ความคิดอีกทางหนึ่งนะสําหรับให้เป็นแนวทางสําหรับพวกเรานะอันนี้ก็คือวิธีการเดินมัจเดินวิปัสสนานะนะที่ว่าทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งนะั่นะคือนั่นคือสมถะแต่นี่เราที่ิวิธีการพูดอย่างนีนะ้ตั้งแต่เริ่มอธิบายเรื่องการพิจารณากระโดกนะั้นนะ่ะ เดินเริ่มเดินวิปัสสนาให้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเนะเพราะนั้นพวกเราทุกท่านตลอดถึงพระสงฆ์ตลอดถึงญาติโยมทุกท่านนะวิธีการปฏิบัติอยู่ในระดับไหนนะถ้าว่าร ะ, ระดับเบื้องต้นก็พยายามทำจิตให้สงบ นี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลมหากุศลอย่างยิ่งนะทำจิตให้สงบให้ได้เนี่ก็เป็นกุศลอย่างมากทำจิตให้สงบให้ได้แต่ถ้าว่าท่านผู้ใดจะจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วพอเป็นพื้นฐานแล้วก็นำมาพิจารณาอย่างที่ได้กล่าวมานี่แหละ เ, เกิดประโยชน์จิตใจของเราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยธรรมะปัจจตังจะเกิดขึ้นในใจของพวกเราเพราะนั้น วันนี้อาจารย์เองก็ขอพูดจบลงไปเพียงเท่านี้ต่อไปก็พวกเราให้เตรียมตัวนั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาต่อไป